เขาก็มาทำดีตามเขาก็เห็นเห็นใจเรา <c oughs> เห็นปากเราอย่างนี้พันเตก็ก็ไม่กรลบหนักถูงเลยขาดขาดทุนไม่เป็นพระริเจ้าได้ น, นี่มัน ข้อที่ไม่สมบูรณ์นึงเป็ น, นที่ตกหล่นปฏิปทาไม่ค้าไว้ใส่นิพพานการปฏิบัตินึงไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ขรบไม่กราบไหว้ตันเองแล้วเอาที่ไหนมาดีนี่ไม่มีดีหรอกฉันบินระบาทท่านก็ให้ติดตามอาวุโส ไม่ให้ขไม่ใขนหน้าน่มาให้ออกหน้าให้ตามหลังตลอดทั้งคำพูดก็ให้นิ่งหวังจะพูดถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็พึงตีเตียนพึงตักเตือนได้คำนี้ไม่ถูกนี่ ให้ตักเตือนกันได้ที่คาวันศาร์เนี่ย อ, อนุญาตให้ตักเตือนกันได้อาวุโศไก็ตักเตือนให้ผู้น้อยตีเตียนได้ถ้าเห็นเห็นอย่างอะไรไม่ดีก็ให้ตีเตียนได้ ออให้ท่านพระยายามทำตามนะอยากเลาะกันจะด่ากันนะด่ามันไม่ถูกมันจะไปนรกโธสะนี่ก็ไปนรกแน่นอนนี่ถ้าโธสะเกิดแล้วหนีเฉยจะได้ความอดตนนั่นเลยเป็นพระเป็นมัชฌี ว่าผมไม่ได้เราก็เฉยว่าได้สอนได้ก็สอนไปมื่อสอนเขไม่ได้เราก็เลิกสอ น, นสบายอเขา่าวมายไปก็หลังก็ลแล้วไปเราสอนนี้ก็สอนเพื่อจะให้ไปสวรรค์ให้ไปนิพพานสอนผิด พ, พ, พลาดมันก็ไม่ดี ธรรมะเรื่องติอัตมารู้เนี่ยก็คุณก็ทราบดนยากุคันแล้วก็ไม่ต้องให้เชือ่อให้ไปชมดูได้ว่าเรานั่งกับเฐานมีความรู้อย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ ว่าเราจะสอบได้หรือไม่ได้เราจะตอบได้หรือไม่ได้คนรู้มันสื่อเพื่อสอบเน้เขารู้ตามได้เ้าทำเลขได้เขาก็ก็สอบได้เขารู้เลขได้ ย่งก็ผมนี้ไปสอนในครูนุสุร์ผอรู้ไม่ได้กรผมไม่ได้เรียนก็สอนในครูไม่ได้เป็นครูเขาไม่ได้เป็นอย่างไรนะเรื่องธรรมะมันก็เรื่องของธรรมะเราธรรมะเราได้ธรรมะแล้วเราก็รู้ ที่คนรู้ธรรมดานี่คนแก่นี่คนเจ็บนี่คนตายอย่างนีีกของเรียกว่ารู้หรอกและพระองค์ก็สอนสอนรื่เกิดแก่เจะตายเนี่ยบางคนนั้นมีจิตดีสมาธิดีก็เห็นความแก่ควเจ็บควมตายนั่นแหละ เห็นความแก่จะตายแล้วหนักขึ้นก็จะเห็นชัดพบคู่ตัวเองขึ้นนั่นแพระองค์ถึงเรียกว่าคนรู้ธรรมเห็นธรรมเห็นชัดพบแล้วก็ไม่ทําความชั่วและนั่นนะถึงเรียกว่าผู้ใดรู้ธรรมผู้นั้นก็เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระาตาขอพวู้นั้นก็เห็นเรา เห็นท th ี <ừ. S 1> ่ทำชั่วไม่ได้นั่นแหละใช่ละรู้เหตุและยังทำชั่วอยู่ไม่ได้เป็นเทวทัตขอได้วินนกวปนนูแสดงฤทธิ์ได้เลยได้แต่ไม่ละความชั่วธรณีก็สูม ที่เห họ ที่เหตได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องต้องเหตุทั้งเห็นทั้งรู้และทำไม่ได้ทำบาปไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าสิทธิ์พระตถาคตพุ่นนำเหตุยาวถ้าอย่างนี้ใช่ได้ ควรจะปฏิบัติให้มันได้มือนถึงเสียก่อนแล้วเราก็ได้มีธรรมะราเริ ม, มันถึงใจเพราะความแก่จบตายเนี่ยมันไม่ไวหน้าพบพวกเราได้หรอกวันหนึ่งวันใด มันก็เอาเรตายจนได้เพราะที่เรามารวมทมสมรรมมานปฏิบัติพร้อมกันเราก็จะได้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ก็จะได้เกิดขึ้นคือเรา ทำไมมันโลโลเลเ ล, เลนี่มาฝึกฝนจิตใจจะได้เบิกบานขึ้นได้นอาเราก็จะได้พูดแต่ที่ดีๆหรือเราก็พูดเรื่องของคลอื่นนะไม่มีสาระประโยชน์อะไรพูดพูดเรื่องธรรมะ ส่วนตัวของเราเนี้ดีกว่าอ่าจะพยายามความมาปฏิบัติแล้วก็ทุกทุบขืน เราก็จะได้สบายกายสบายใจมากันเนี้ยทุกฝุ่ืนนะถ้าฝนมันไม่ตกนะทาใจให้สบายสบายพระพุทธเจ้าให้เกสาโลมา นักขาโลมาเกษาจะโจจะโจธันจากรรมฐานห้าเนี่ยผมขนเล็บกนนั่งกรรมฐานห้าเนี่ยให้เป็นอารมณ์ดูดูเป็นอารมณ์ ก็ได้ให้เห็นมือกรรมฐานห้านีปรากฏผมคนเล็กฝา น, นั่งนี่แหละจะได้มีอารมณ์ของพระกรรมฐาน เขานั่สมาธิยังไม่มีพึงกรรมฐานห้าอย่างนี้ห้ากองพึงว่าศรัทธาก็จำจะไม่ค่อยเคยวติก็จำไม่ค่อยมีเมือ่อกรรมฐานห้ากองนี้ปรากฏแล้ว ผมคุณเล็บฝันนั่ง <c oughs> ทำให้ได้เป็นอารมณ์จิงย่มมีจัทาแห่งล้ลาขึ้น ดับเมื่อไรนิวรห้าดับเมื่อไหรปัญจธรรมาทานห้านี้กว่าจะเกิดขึ้นก็เรา ทิท่านทมเทศนาก็เงินเราสอนให้รู้ที่มองดูให้เห็นลูกตาถ้าเห็นลูกตาแล้วก็จะมีความรู้ในการขอบวัดปฏิบัติหลักวิชาก็จะบีบขึ้นในเรา เท่าเห็นนี่หละเรียกว่าญยาดไม่มีสมาธิดีแล้วยาดก็ยอมเกิดนี่ะเรียกว่าสมาธิกว็ว่ า, าว่างฌานก็ว่าพระไกลักษณายานก็ว่าถ้ามีความมูเห็น ตามนี้ น, นักปฏิบัติก็ทำจนให้ลุดใจหลุดพ้นหายโรคหายโกรธหายหลง ก, ก็จะเป็นพรหันก็อาศัยยานที่รู้เห็นที่แหละเที่ยงปูซิมว่ากระดูกสามร้อยท่อนเราก็พึงแก่ดได้ ได้ชมะกายลักษณะยานปัญญาญาณก็เกิดมีขึ้นกับเราจึงพยายามให้มาเท่าไรได้ก็ยินดีบางครั้งกำลังทานี้ไม่ได้หรอกไปสำเร็จเมื่อขณะจะแตกดับก็ได้นนผ่านขณะแตกดับ ไม่เข้าก็ต้องเข้าเพราะเราพยายามทำไว้มันเป็น <c oughs> มันเป็นมหากุณสมแล้วต้องทำใจไว้เสมอๆนั่นแหละ อนุภาพก็จะได้เกิดอยวไปเชื่อมันเรื่องขี้เกียจขี้คราดเนี่ยฟื้นไหมฟืนรรม้นทำฟืนโลภกดลงฟืนนิวรณห้าไหวมือนิวรณห้าดับเมื่อไหร่เราก็ยานทัตนะก็จะเกิดมีขึ้น เ, เรา พยายามจังจบหมายมากเป็นอันที่ดี <c oughs> สแสวงหาเนื้อนาบุญที่เรามักก็ทากันอยู่เนี่ยควาราบไหวสการะบูชาสุ ก, กันะกนอันเต รู้จักอาวุโสกราบไหว้ซึ่งการประกาศนี้นี่ก็เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปเรอกนี่เรามานั่งกรรมฐานให้ครูบาอาจารย์มาเสนอนะพวกเราไว้ แล้วเมื่อจะแตกดับเนี่ยเห็นว่ครูบาอาจารย์มานำกรรมฐานแล้วเราจะไปไหนก็ไปสูบสุกขกติกันสิพยายามรักษาสิ่งกันให้ดีสัมมาวาจากล่าววาจาชอบเป็นผู้นึกแล้ว ส่นค่อยกล่าวว่าคำนี้ที่เรากล่าวนี้จะมุสาหรือเปล่าทํามนันนึว่ารู้ว่าเราจะโกหกรับเราก็จะโกหกกล่าวไปที่ความจริงใจที่ครูบาอาจารย์ให้ให้ไม่ให้มุสามาให้โกหกนั่นแหละสิ่งก็ดี แล้วเราก็ไม่ได้ดื่มสุราก็าดีนี่อภรมเราก็ไม่ได้เสพกามก็ดีนี่ดีทั้งหมดที่เราทาสิ่งห้าดีสิ่งแปดก็ต้องดีถ้าสิ่งห้าไม่ดีสิ่งแปดก็ไม่ดีสิงเ สิบแปดดีสิบสิบก็ดีเท่านั้นนะไม่ต้องอะไรแล้วกรวดสินเนี่ยก็นำมาซึ่งความกระรูทาได้บุตสิดีสิ่ไม่ดีเนี่ยจะทำสมาธิก็ไม่เกิดมีสมาธิก็ใช่ไม่ได้ เป็นมิจฉาสมาธิเหมือนเทวทัตพระองค์สอนจันเขอะได้แสดงฤทธิ์ไ ด, ด, ได้ความอิจฉาพยาบาทนั้นมีทิ้งจะต้องถูกธรณีตัว พยาบาทอากาบมันแ่งกล้าไม่ครบอวเอวก็ไม่ทำให้ไปเป็นเทวดาได้พวกเราก็ต้องพยายามทำสิ่นให้บริสุทธิ์สมาธิก็จะได้เกิดขึ้นและปัญญาก็จะได้ดีขึ้น ไม่เคยรู้ก็รู้ได้ไม่เคยเห็นก็เห็นได้ดูอติกกยเกษาลงมาทำให้มันเกิดขึ้นเมือ่ออติไกยเกษาลงมามันมีขึ้นกันกบกรรมาฐานอาเห็นความตายอย่างปูสิบทันเทร ทำให้ตาไปเห็นตาโบตาก้ก็เป็นความตายเราก็จะมีลักษณะอีกผู้เห็นความตายผู้นั้นก็จะไม่ตายอีกนะให้รู้จักบ้างแล้วทำเรื่องนี้ใครเราเสียสอดได้ต้องรู้เห็นเราถึงจะสอบเขได้ถ้าไม่รู้เห็น จะปสอนเขาได้มันเราไม่รู้น้าเสือหรือไปสอนมัก็รู้น้สือมันเป็นไปไม่ได้เราทําเลขไม่เป็นที่อไปสอนเลขอ้รูเลขขูดหนันลบมันมันสอนเขาไม่ได้ เ, เราต้องสอนได้มันถึงเงีเรารู้ขึ้นเราก็สอนติดได้ กรรมฐานนีก่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราต้องสอนไม่ได้แน่นอนอเพราะเห็นยังมีครูบาอาจารย์แนะนำจังสอนนะไม่ใช่บวชแล้วมันจะเป็นพระหรอกนะถ้าบวชแล้วมันเป็นพระแล้วมันก็ต้องกระยันที่ ก็ยันถ้ามีเพียรมีมันสิพระครูให้เกสาโลมานาคาธันตาจะโจจะโจตันตาจะโ จ, จ, ะจก็นั่งสิเห็นเห็นผมคนเล็บวันนั่งสถามันก็จะแรงกล้าขึ้นนะพยายามให้มากอย่าขี้เกียจ ที่เกียรตน้ำเป็นมีหวอนมีเพียรมีมันขึ้นธรรมก็จะเจริญขึ้นอาตมานี้ก็พยายามอยากจะสอนให้รู้นะจะได้ไม่ตายอีกนะจะได้ไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าผู้ชายก็เป็นเทพอุเบิ์สิ พวกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าความรู้ความเห็นอันนี้เป็นยังไงที่เหมือนที่อาตมากล่าวไว้แล้วให้ดูใบหนะ้าให้ดูดูจมูกบ้าง แต่ม่ได้สอนละเอียดอย่างกรณูโอซิปนี่ความจริงๆที่เราสอนเรื่องผมขนเล็บฝันนั่งกรรมฐานห้ากองเนี่ยเราจะควรรู้ควรเห็น ก็ที่เราปฏิบัติกาดูนี่แหละก็พอใจเห็นใจลักษณะญาณอันนี้แล้วที่นี้เมื่อเรารู้เห็นแล้วแต่กีเลยยังไม่ดับยังได้ยังรันอยู่อีก ก็ดูก็แล้วเห็นตับใจใสดก็เห็นแล้วเว้นแต่ก็ยังละความโกรธไม่ได้ยังละความโลภไม่ได้ก็กลายเป็นสัพเพอรูปีนั่นะ ขำผีไม่เกลียดไม่ไรสปรก็จับผีจับอะไรรูด ก, กระดูกรไดอะไรก็ได้วนแต่ก็เลกละความโลภกดไม่ได้เช่นเดียวกดอย่างนี้ ก็ยังไม่มีไม่มีทมพิเศษอะไรเมื่อเรามีเห็นกระดูโครงกระดดดตาโบเบ่มันยังก็คนตายแล้วแต่ก็เห็นแล้วก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้ ก็ยังไม่เป็นภูวิเศษได้่อเห็นผมคนเล็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็ไม่สรุปเลยก็ะจะไปได้อะไรขึ้นมาเป็นอย่างนี้ก็เพราะสิทไม่บริสุทธิ์นี้เองสิทห้าก็ไม่บริสุทธิ์ สี่ปก็หม่บริสุทธิ์ก็ไม่ไต่างกัจตะเพร์ฮิรูปีได้เอาเงินพักในปากเอามาใช้ได้ไม่เล็บไม่เกร็ไม่อายตะเพร์ก็กินเล้าได้เมา อย่างไปก็ยังทำได้นักบวชทำไมมีสิ่งดีมันก็สิ่งดี mm hmm. ถ้ามีสิ่งดีก็จะเขา้าถึงลักษณะเมตตาความรักใคร่ตนเอง กุณาช่วยตัวเองในปณิทุติตาพยายามทางความดีให้มากขึ้นเ <c oughs> วก่าความหวังเชื่อเสด้จะมีความโกรธก็นิ่งได้จะมีความรักก็ทนได้ ที่เรียกว่าทำนี้เป็นทำเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่รู้จักประมาณการพูดความนึกคิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็รู้ทันเพราะที่เราฝึกหัดไว้ว่ า, วารักษาสิ่ห้า ฟานาห้าหมม่ฆ่าสัต์ทินนาห้าห ม, าามไม่รักทรัพย์คราเมไม่คิดในการมสามีของเรามีอยู่แล้วเราก็เพียงพอนี่ก็ทำให้มีความละอายอกามีที่นี้ เมือ่อในนี้ก็ดีแล้วเราก็รู้ว่าสามีของเรามีความรักใครเราจะทำผิดกามีก็ไม่ได้แล้วก็เราก็จะโกหกสามีก็ไม่ได้เราก็อยาโกหกคนชาวบ้านก็ไม่ได้ เมื่อคนชาว บ, บ้านลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าเปลี่ยนใจเสแลวความหิ้ความละอายตบากากลัวตบากาก็กมไม่มีก็ทาได้ทุกอย่างยางนี้ก็โซดาก็จะมาอยู่กับคุณยังมี้ได้ โสดาก็ไม่เข้าไปอยู่ในคนสิ่งคนเรานี้ได้เท่าคนเราถ้ารู้จักทิศข่าวินัยสดีแล้วสินกท็ทำสินหา้าก็ทำให้พร้อมได้โซดาก็มีหิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปจะดุ้งต่อบาป ก็ทำผิดจากสิทธาไม่ได้ก็นั่นแหละโสดาปฏิบัติโซดาปฏิปมก็เกิดมีขึ้นแล้วเพราะสิ่ง น, นี้รักษาไม่ได้จะไปเห็นธัมโมดธะมแล้วก็ยังทำไม่ได้แล้วก็จะว่าคนรู้ทำคนทำได้อย่างไ คนมือถามเห็นถามก็พูดช่วนไม่ได้ทำบาปไม่ได้บวงสมบูรแล้วทำความช่วยไม่ได้5อย่างนี้มีฮิวิโอตะบะความลอายตบะกลัวตะบะคำนี้ก็จะทำให้ถึงพร้อมพระสุดาก็อย่ยอยู่ อยู่ในภาพของคนที่รักริงงรี้กว่วเปลี่ยนใจเสแล้วความหิวความละอายตบากกลัวตบากก็ไม่มีก็ทำได้ทุกอย่างยิงมีก็โซดาก็จะมาอยู่กับคุณยังมีได้ โสดาก็ไม่เข้าไปอยู่ในคนสิ่งคนเรามีได้เข้าคนเราถ้ารู้จักที่ข่าววินัยะดีแล้วสิลกระทาสิ่งทากระทำให้พร้อมได้โซดาก็มีหิริความะอายตัวบาตรกลัวตัวบาตจะดุงตัวบาง ก็ทำผิดจากสิทธาไม่ได้ก็นั่นแหละโสดาปฏิบัติโซดาปฏิพนก็เกิดมีขึ้นแล้วล ว, ว่าสิ่ง น, นี้รักษาไม่ได้จะไปเห็นธรรมโมธรรมแล้วก็ยังทำไม่ได้แล้วก็จะว่าคนรู้ทำถึงขั้ได้อย่างไร คนดูทำเห็นทำก็พูกชวนไม่ได้ทำแบกไม่ได้บวมซะหมดแล้วทำความชวนไม่ได้ห้าอย่างนี้มีฮีิโอตระกความอายตบากกตบากัวตบาาคำนี้ก็จะทำให้ถึงพร้อม พระสุ다가ก็ยี่อยูย่อยู่ในภาพของคนที่รักษาสินได้ซึ น, นี้แหละเป็นวินัยให้มีความละอายต่อบาปกลัวบาปสะดุง้งบาปเข้าสินห้านี่ทำไม่ได้สินแปดก็จะมาทำอะไรได้เข้าสินห้าดี สิ่แต่คุณก็ต้องดีพระต้องมือนกันก็อย่างมุใสยังโกหกอยู่สิ่งก็ไม่ดีได้แล้วจะเป็นพระเป็นชื่จะได้ไหเราก็จะต้องรู้จักว่าเรามีสิ่งไม่เช่ไว่ารับรับสิ่นแล้ว ก็ยังทำชั่วได้เราอย่างนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วโสดามกโสดาพนก็จะเกิดขึ้นมากับคุณนักบวชได้ยดูกันง่ายๆสิดูกันง่ายๆสิ้นว่าสิ่ง สิ่งติเตียนเราได้หรือไม่นักบวชจะต้องรู้ถ้าสิ่งติเตียนเราได้ถ้ารู้ว่าสิ่งีิเตียนเราได้หรือไม่แล้เราก็ทําบาปไปได้สิ่งก็ติเตียนเราไม่ได้ถ้าสิ่งติเตียนเราได้ แล้วก็ยังมีมรุณได้ยังไงมันก็ครองภาพเปล่าไม่มีมรพลดอะไรได้เพราะความกละวิวาดจอก็จะต้องมีอยู่ความชอบไม่ชอบมันก็ต้องมีอยู่แล้ว่น รู้ว่าสิ่งต้องติเตรียมเอาได้แล้วผมมีห่างใครก็ไม่มีขึ้นกับเราแล้วลำเอียงด้วยความรักลำเอียงด้วยความใจแล้วทําเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่จะมีที่ไหนนี่นทําเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ไม่มี แล้วจะเอาอะไรมาดีนักบุญก็ไม่มีมมพรหมญาตเพะเราจะต้องพยายามทำทำให้มันดีแล้วทำเนี่ยโมสิลห้าก็ดีแล้วสินแปดก็อาภรัรมทียจุชภมจันย์ให้บริสุทธ การมคุมเราก็รักษาอินทรีจังหวนอยาถาทำตาเป็นทมตาอย่างงงยังอีไม่นก็ทำไม่ได้จึงวเรียกว่าอินทรีจังหวนส ม, มนบูรณ์ว่างไม่ผิดตาองส์สินนี่สินรู้นนราจากตนเอง ทำไม่ได้จึงเรียกว่าต้องรักษาบปู่ตาจนหมุกหิ้นกายใจไว้ทำก็ความบริสุทธิ์ของกายใจมันก็จะดีขึ้นก็จะขวรกับมักคุนได้ถ้าเราไม่ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะได้มักคุน โลภะหมูนแปเป็นยังไงอาภูชงแปดดวงโลภะความอยากได้ของเขานตายเยอะไปไหนก็สิทธิ์รักได้ก็โมยได้หมุษฐาได้แล้วก็จะ จะควรได้กับโซดาหรือจะขวรได้กับมาขวนได้ก็ตนไม่รู้จักอาภัชส่งแปดดูดังเนี่ยโลภะมูมแปดก็จะทำให้ประเกิดอยู่ในวงเปรย์เป็นเปรย์ แก็มัหมวหะมุขจ้อายไปเป็นแตดรัชโทสมุจ้องตายไปนรกอัฟซุนขุดจ้องดวงทุนี่นยไเกิดอยู่ในภมนี้ทั้งนั้น มุสสิ่งดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีสวดาปฏิบัติสดาปฏิบัติก็จะเกิดขึ้นกระทู้ปฏิบัติแล้วเราจะต้องทำสิ่หน้านี้แต่ให้ดีก่อนและสิ่งแปดก็ต้องดีแล้วเราก็มีอินทรีย์สังวรสมหวังมาว่างอยู่ว่าเรามี วินายูสิ่งถ้าเป็นงี้สิ่งก็ติดเตียนอยูาไม่ได้เวรามันหนีการมัดฆาสัตวเวรามันหีวินัยการอธินาไม่รักัา ามเไม่ประพฤติผิดในกรรมแล้วก็สิ่งแปลกก็ก็จะดีึ้นหมดอา ร, รมัมอา ร, รัมก็จะพุทธสมจารย์ให้บริสุทธิ์ได้แล้วก็ไม่โมสาความโกหกก็ไม่มีแล้วก็ไม่ดื่มตุลาแล้วก็วิการละโก เราก็บริโภคพอสมควรนี่เราไม่บริโภคให้จนเกินไปวิกาลาโคเราก็บริโภคพอสมควรปัญญารักษาโรคนี่อปัญญารักษาโรค ทุกข้อทุกข้อเนเป็นอกาการวินัยของนักบวชทั้งนั้นแหละแล้ววิการะโผลเนี่ยเรื่องการกินนั่นเองการกินการตักอาหารพอควรนี่ เราก็บริโภคตรระพอขวนแล้วจึงรู้ว่าสิ่สมาริปัญญาเราก็ตักอาหารพอขวนกะท้องเราใจเราพออิ่มมาให้จนเกินไป เราเท่ากัดอาหารมาเอาสมุดนี่แล้วพวกข้าื่งัจะเอาอะไรเราต้องคนมีสิ่งต้องคิดข้างหน้าข้างลังเพื่อแผ่เจจุนทุกข์ความชาวไว ข้างหน้าข้างลังให้รู้การบาริโภคทู้โกบกันให้คิดถึงเพื่อนนักบวชดด้วยกันถ้าเราตักเอาสมุนไพที่ไหนเลยเพื่อนรักข้างลังก็จะมาได้อาหาร แล้วถ้ารู้จักว่าอาวุโสกับันเตยผู้บวชที่ลำจะเดินขึ้นหน้าอูโก็ขึ้นหน้าพันเตยก็อยู่หลัผู้อ่อนอาวุโสผู้แก่อาวุโสขึ้นหน้า ล้วผู้ขึ้นหน้าก็คิดถึงนักบวชข้างหลังให้มากเพราะจักอาหารนี้ก็เป็นใหญู่่กันถ้าเราเอาสมุนก็ม้วมุ่งนองนองจะเอาอะไรกิ น, นยังมีเรียกว่าไม่มีผมไม่ห่ารเลย ไม่ห่านสิไม่มีแล้ดูจะไม่สวยไม่งามแล้วถ้เขาคนที่ไก ล, กลเข้ามานักบวชเขามาเห็นพวกเราแข็งหน้าแข็งหลังเขาก็จะติเตียนว่านักบวชวัดทุ่งสมคีทมทำาไรกันไม่เรียบร้อยไม่น่าดูเลยนี่ เอ้ครูบาอาจารย์ท่านไม่ไม่แสดงธรรมไม่มั่งเล็กเนี่ยเราก็ควรจะต้องรู้จักว่าท่านแนะนำรละสั่งสอนนี่แหละท่านแนะนำเพื่อมรคนิพพานทั้งนั้นการกินการไม่รู้จักว่ามีอาวุโซ นี่พันเตเป็นผู้อ่อนอาวุโสจะต้องเป็นระดับเข้าตับบริโภคเข้าน้ำตับอ ข, อ ข, อขอขวนเพราะคนหลังมีน้องอยู่ข้างหลังเยอะนวก็ตึเรีย่า จะเป็นนักบวตที่ดีนักบวตที่ดี <c oughs> ดดสิ่งดีสมาธิดีมีปัญญาดีย่อมจะรู้จกักการบริโภคอุปโภคให้เหมาะสมจึง เ, เรียกว่าเป็นนักบุตที่ดี นักบวชในศาสนาของสมัยสันตตจ้าต้องทําดีอย่างนี้จึงเรียกว่าใครเขามาดูใครเขามาเห็นมาดูนักบวชบัด ท, ทุ่งแจ่มมาพิธามทาดีเขาก็จะเลื่อนใส่เลื่อนใส่จึงเรียกว่านักบวชเนื้อนาบุญ มีฤทธความอายต บ, บา่ามีพรหมิหารสิจึงไม่แข่งหน้าไม่แข่งหลังอวุโสก็ไม่รู้จักผันเตก็ไม่รู้จักมีแข่งหน้าแข่งหลังถ้าไม่แข่งมันไม่ได้อาวุโสอามอกี มีเลยสิ่งนี้เลยสิ่งเตืเอนนักบุตไม่รู้จักเอาโชงมันก็เกิดโลภขึ้นเกิดโลภขึ้นความละอายมันก็จะไม่มีแล้วจะไปหาสิ่งสมาธิปัญญาจะมีจะมีกันนักบวตที่หนัก นักบวชนักเข้าคนจะมีการกระวิวาสเป็นขึ้นแล้วก็จะมีดีที่กงหนดูดูก็เหมือนคล า, ายยยงคนชาวบ้านค น, นชาวโลกเขาทำยังไงอยู่แล้วคนนักบวชจะไปททำนั้นก็คนชาวโลกได้เขา จึงให้สมุวจม่หว่งรู้จักใจของตัวเองให้มากจึงจะเรียกว่ามีธรรมวิเศษที่พระองค์แนะนำและสั่งสอนไว้นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้เจริญ เหมาะสมกับที่เขาถวายสามนั้นแหละนักบวชแต่ผู้บุญญาเป็นผู้เจริญก็มีฤทความอ า, าตม์ตบะย์ัวตบะย์ก็จ้องเจริญทุกข์ทไมจนไม่เจริญนั่นแหละนักบวชเพื่อจะนํามาซึ่งมรคนให้กับตัวเองให้มีเมตตาซึ่ ง, ง ก, กานและกัน ความละอายเกิดขึ้นแล้ก็ต้องแบ่งบายคนที่ดีเาะคุณความสนุกก็จะเกิดขึ้นก็ผู้มีสิ่นดีนี่สิ่งไม่ดีมันก็ถูกเขาติดเตียงเราได้สิ่งก็ติดเตียงเรา และคนชาวโลกก็ติดเตียนเาราจึงเรียกนักบวชไม่เหมาะสมก็ที่รับเชยฐานของคนชาวบ้านวิชาวโลกนี่บุญยากแต่ตังโลก็จะเป็นเนื้อนาบุญของคนชาวโลกนักบวชทัพอภินฎีก็จะเหมาะสมก็ที่ว่า อุณหเกตังโลกะาะ น, นาบุญองคนนโลราวุปะธรรมะพุทธคุณธรรมคุณจักรคุณแล้วเราก็ควรจะรู้ดีรู้ชอบและเรากปปฏิบัติการจะให้ความโลภมันเข้ามาครอบงำ นักบวชได้ทำไม่เรียบร้อยทีนี้เมื่อเขามาใหม่ๆเขาเห็นนักบวชเก่าๆทำไม่ดีเขากลับไปบ้านเขาสึกกลับไปบ้านแล้วทีนี้เขาก็จะไม่อยากมาละ ว, วัดนี้เพาวัดปฏิบัติไม่ดี ก็นำความเจริญมาไม่ได้เพราะตปนไม่เหมาะสมก็ที่เขารู้เขาเห็นเราทำดีก็จะต้องเห็นเขาก็เห็นเราทำไม่ดีเขาก็เห็นมีแลเราควรเราจะเห็นเองว่าเราเป็นพระเขายกย่องเราให้เป็นพระแล้ว เราถวายสังฆถว า, ายฐานพระผู้เป็นจเจ้าผู้เจอเราจกพลิกใจมาดูว่าเรานี่เป็นยังขวานิ่ไหมถ้ารู้ว่าเป็นยงนี้เราก็สยามกรับใจส้นใหม่ทำให้ดีขึ้นความดีก็จะเกิดขึ้นมาได้ ควาดีอะไรไม่เท่ากับกลับใจใจมันไม่ดีไม่ชอบเลยกลับใจซะให้มัดีมันชอบขึ้นมาจะเรียกว่าเป็นผู้เจริญได้นะฝากขอ้อคิดไว้ที่พูดคิดกล่าวแบบนี่น้ฝากข้อคิดไว้วกับพี่สุสนเราสมมติเอง แล้วบาธิกาหรือเมีทุกทุกคนขอให้ให้ไปพิจารณาตรงตนเองจะได้เรียกว่าสัมมาปฏิบัติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กกบริโภคข้างหนำก็เพื่อดับทุกข์ ยังไม่เลกหรือไปเลยเนี่ยไม่รู้จักกูหนาพระท่านพูดหรือไปเยังไม่ได้ยังไม่ได้เอ่ยวงจะไปหาธรรมะกันที่ไหนยางนี้นนะ มันพไม่พูดกระชากอยั้ข้อข้อขั้นใดขั้นก็ไปให้จะเป็นสยอะไนึกก็ไปก็ไปนึกก็อยู่ก็อยู่มีก็ไม่ถูก เว้นธรรมโอมานี่แหละถึงว่าก็ชุมไม่เป็นอย่างทมก็พร้อมกันเลวเลิกก็เลิกะลพร้อมกันอย่างนี้ถึงจะถูกมิหน่ายเมื่อไรจะได้ดีจางตอเมื่อไรจะได้ดี กรรมไม่นะบาปบาปสมมติเลยนะแล้วก็ผู้มากระเดีวก็มาทําลายผู้ใหญ่ก็มีนักบุตรเพราะงานนักบวชเก่าๆต้องพยายามทำให้ดีอันนี้ ก็ได้กล่ามธรรมะกันมาแล้วคนนั้นลุกไปแล้วไม่คารมธรรมไม่คารอาวุโสไม่คารมคำสอนของพระนิ่ไ ม, ม่ได้ต้องพยายามทมให้ถึงจะ ธรรมโอษมะยังไม่ทราบถ้าหากว่าจะลุกได้ก็ต้ององสมาดเดินจงกรมอยู่ได้มีได้ ไ, ดไม่ไม่ไปดีได้อขอฝาก ข, ขอ้อคิดคุณนะจำมานนะจะได้อาไปปฏิบัติ หวางก็มีนะขอโชคดีกั น, ท, ก ท, ก ท, นนะทุกทุท่านทุนเกิดเรื่องนะมันจะันยิ่เกยุคลายุงะก็ชอบก็ไม่ชอบก็ลูกไป มีะรธรรมะเป็นเครื่องสบายใจเป็นเครื่องตั้งกายตั้ใจใหาเราไปเป็นเทพเป็นเทพผบุตเนเทพอันีนะพูดนี่มีมีคุณค่ามากนะไม่ใช่นิดเดีอยนะนั่ง ขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมไม่ให้เอียงทางซ้ายไม่ให้เอียงทางขวาไม่ให้กลมหนา้าถ้่ากลมหน้านี่มันไม่ถูกหลักษณะสมาธิจะต้องทาสติสมัตัญญะความรู้ตัวให้ทุกขณะ มือมีความง่วงเหงาหอนอนล้วกลืมตาทำสมาธิแล้วเพื่อจะได้เป็นเป็นขุนเป็นประโยชน์เพราะนั่งสมาธิก้มหัวเนี่ยไม่ถูกหลักในการปรึกสมาธิต้องนั่งตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาตั้งใจกำหนดให้ดี พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจมีสติสมัญยะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเรียกว่าทำใจให้หมดจให้ให้มีทำความรู้อยู่ทุกขณะจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกส ม, มาธิ ลอยหลงปูเสือไครชันใครเจี๊คุณไม่สั่นระตาหัาน ก็ไม่อิ่มพระธนวชันคุณถ่ายเราว่ากินฉันพัฒตาหารเราก็พยายามให้มากนะเพราะกิเลสมันรบกวนเราถ้าเราได้พระกรรมฐาน ได้สมาธิแต่ว่าคำมาม่เรียกว่าพระกรรมฐานผู้ได้พระกรรมฐานผู้นั้นแล้วก็เป็นพระอริยเจ้าผู้เราเราจะต้องมีเพียรมีมั่นให้บ้างวันคืนหมดไปทรอะรอยู่พิสุขพระองค์ถาม ทำปฏิปทานที่พระตุคขาโพงกษาธุสาธุแล้วถ้าหากาเราไม่ได้ทำเลยท่านถามจะเอาอะไรมาตอบเราไม่ได้ทำเท่าทางว่าพิสุทำอะไรอยู่ วันคือหมดไปเปล่าถ้าเราไม่ได้ทำปฏิปทาสิเราจะเอาอะไรมาตอบที่ทำเนี่ยทกรรมฐานะ น, นี่การไม่ให้มันไปนรกนะถ้าไปนรกแล้วแก้ยากนะมันเป็นโกรธมันเป็นกับกัดนะ ไปนรกไงไม่ายไม่ไรยะยได้รับความสุขสักทีถ้าไปเป็นเปรตก็อดอาหารเป็นโกดกเป็นกับกับเงี้ทีนี้เมื่อเจ็บไข้จนจะตายคือแล้วพึ้งบอกว่า ระลึกถึงพุทธโธนะพุทธโธเป็นที่พึ่งนะนเราก็จะได้ยินเสียง้นแเราก็มีสติสมัมมาสติยะหรือจะไม่มีใครบอกเลยธรรมก็จะสูงขึ้นมีสติสมัมมาสติยะ